พระที่ยนท่ามท่านเลานั้นอม่าพระในระเล่าให้ารอกาันนมากกว่ามากอเ็นมมากอาจจะอูาวาได้ย่มือแล้วจะเห็นว่าพระในก็ดำรงที่อยู่แต่เห็นที่ว่าต่อากที่จุดน้เราลองตรวจสอบพระในทุกพระในน่ะมีบัญญัติที่ถือกติว่าสิขาบทอันใดธรรมวินัยข้อใด ที่พระพุทธเจ้บังหยัดแล้วจะไม่ถ่ายถอนที่ไม่ได้บัยัดจะไม่สูรู้เพิ่มเติมข้อนี้สำคข้น็เกะที่ช่วนกา้อยูระหว่าบริตุทอันนี้สาคัญมา ก, มากในการถ้าอาจจะเพิ่มเติมในรมานี้อาจจะตัดทอนแลวออกไ ป, ไปแต่เราใครเราจะรู้ใช่ไหมฮะบาง า, านเราถือคามเดืดดมา้าหากว่าเราเราัดองสมมติว่าเรามาาตั นักตรีสูงมากจริงไม่เคยเป็นธรรมเสมอไปนักตรีสูงมากไม่เคยเป็นธรรมเสมอไปใช่อันนี้ไม่เคยทำเสมอไปตูนรับทราบแม้อนนี้นักตรีสูาให้ถูกใช่ไหมถูกท่าน้พจารณาเลี้สอนหนึ่งอธิปไตย3ามหนึ่งเลครับอันตาธิปไตยลงกาธิปไตยกับธรรมมาธิปไตยลงกาทิปไตยคือมติสูนหมู่มาก ไม่ถูกไม่ไม่ถูกยก่องยกย่องธรรมาทิฏฐายความแคบความยุติด้วยเหตุผลแต่ถาเล่นคนมากกว่าฮ่กฮ่าาฮาม่าฮ่าฮาฮ่าฮาาาาา่า่ ว่าคนพันนั้นพระพู้เเจ้าว่าสุขุบุญรุ่งเรืองครัครับไม่ได้ถามเนียถ้าพู้เป็นเจ้าแลว่าว่าในพานนั้นสุขุบุญรุ่งเรืองเมื่อเป็นที่อย่างลงตางตึงอยาทราบว่าหมายความว่านิพพานในกาธิบานิพพานน่ะมีอยู่สองยะในยะรับกับในยะปฏิเสษ ก า, ารที่มานิพพานในพิสาสนาเนี่มีสองในยะในยะรับคืออย่างไรคือข้อความที่พระบรมศาสดาตพละนาว่านิพพานังประมังสุขงังนิพพานเป็นบรมสุอย่างนี้คือในยะรับในยะปฏิเสธคืออย่างไรคือคําำปฏิเสธบอกว่านิพพานานไม่ใช่สัวีเตโชวายวาูอาปไม่ใช่อากาสาัญใจยตนะบินญาณัญใจยุตนะอจินจัญญ า, ายุตนะนนยยตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะ ไม่ใช่ที่นั่นที่นี่ไม่ใช่พระอาทิตย์พระจันไม่มีที่ตัง้งหนึ่งมีการตุตินั่นแหละที่สุดแท่งภุกระนิบายอย่างนี้เป็นไม้กฤษฎีษทำไมท่า น, นอาจว่าสองหน่วยยักษก็เพราะว่าทิ่พานตัวคุมลึกทนที่ายแห่งตัดตัดคือการสิ่งนั้นความรู้นที่นี้เนี่ยพอพง่ายเย่นงยเพราะรัฐปัจุบันหม่ความว่าทรงกฤษฎษว่าการที่จะใช้หลักลอยิยเพื่อที่จะให้เขาที่พานะไม่ได้ เรื่องลอจิกเป็นเรื่องการเล่นคารมุมและเรื่องการหาเหตุผลในแง่เรื่องใดใช้ได้แต่การจะเข้าถึงมิพภาพโดใช่หลักวิชาลอจิกเป็นเครื่องมือน่ะไปไม่ได้ปฏิเศธอย่างนี้เวลานั้นในอินเดียเป็นเรื่อดของลอมีพวกเจ้าถอยหม้อควัพวกเจ้าโตคารมุมมีมากมายโดยเฉพาะอย่างนี้ปริพาชคผปริพาชคเนี่ยศกวิชาการอภิปรายไรอารรสติกคือภาษาปมาวิชาไาร์รติก าเอ า, า, อา ว, วิธีการอภิปรายต้วาทีอย่างสุงนับปาดิรีใช้กันอย่างโซประติสเคยใช้รืของมือในการแผ่ปรชัชญาของเขาในเด็กติดเนี่ยอภิปรายซักก่อให้เขาเห็นข้อทักดุนความรื่มไหให้เห็นจับเหตุจับผลนิพนานเป็นธรรมชาติเหนือเหตุเหนือผลจะเอาเหตุผลทางโลกเอาหลักลอยหยทางโลกมาวัดนิพนานไม่ถูกเห็นไั้เพือนจึงปฏิเสธว่า จะอาศัยวิทยาการศาสตร์วิทยาหรืออะอีกเนี่ยคือวิสัยแห่งการตึกให้อย่างถึงมิพานนะ่ะไม่ได้แล้ยมีได้ทางเดียวต้องอาศัยทางปฏิบัติขัดเกลีทางทางฝันเลยขับปฏิบัติคือปฏิบัติเรื่การขัดเกลกายาจาใจเท่านั้นเองที่จะถึงได้ลําพังใช้ขาลงจะใช้ความคิดแล้วก็อาศัยเหตุผลมาประมวลแล้วจะให้ถึงมิพานนะ่ะไม่มีทางกปฏิปฏิเสกอย่างนี้เนี่ย ความหมายข้อนี้มีเชิงตรงนี้ครับสมมติแล้วก็อุปการวานทางนัะไม่ถูกตรองได้อาไม่ไปคิดไม่ถูตรองไม่ได้ครับเราถึงไม่ได้การคิดไม่ถกตรองนั่นน่ะเป็นทางตรงที่ให้ถึงนิพพานไม่ได้ลพังเอาไจหลักผู้ไม่หนา้ราูว่าเอาใจหลักเริบขึ้นิพพานได้ยงดีกว่าถ้าบอกว่าคิดไม่ถกตรองให้ถึงนิพพานไม่ได้แล้วทางั้นก่อนี้ก็ถึงนิพพานทุกคน้คิดกอนนี่คิดก่อมาคิดอยากจะได้นิพพาน คิดอยากจะกจะให้ถึงนิทานใช่ไหมฮะแต่การคิดอย่างนั้นมันเป็นตัวทีจะทำให้ถึงนิพานโม่ตรงหากว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเหตุนั้นเมื่อจังทีพรามถามพระพุทธเจ้าว่าอ่าอะไรจะเกิดก่อนนิพพานญาณจะเกิดก่อนสัญญาหรือเกิดก่อนพระงบอกว่าสัญญาเกิดก่อนแล้วก็นิพพานญาณจะเกิดมาทีหลังต้องใช้สัญญาก่อนครับสัญญากําหนดไหมนี้ก็ก่อน หมายร่้ช่ว่าตั้งใจว่าอยากจะได้ n i พ v a n อยากจะบรรลุ n i r v a n เอาสายความที่อยากจะได้อยากจะถึงเอาเอาเอาความอยากจะได้อยากจะถึงนี่มันเป็นปัญหามันเปปัญหาอยากอยากบรรลุ n i r v มันไม่ใช่ปัญหานะครับอยากการอยากบรรลุ Nirvana นี่ว่าทำมาฉันพระเป็นฉันท้าไม่ใช่มันจะปัญหาปัญหาเป็นโลภะเป็นอกุศลเจตสิกฉันพาะเนี่ยมันจอกุศลเจตสิกไม่ใช่ไม่ใช่ฉันพรไม่ใช่อกุศลเจตสิกอันนี้เห็นกันชัดสิเดียเป็นทำมาฉันพร การอยากปฏิภาณอ่ะไม่เป็นไม่ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไอ้ส่วนปัญหาความอยากอันใดเป็นต้นตอให้เกิดทุกข์ความอยากอันนั้นจริงเป็นปัญหาส่วนความอยากอันใดไม่เป็นต้นตอให้เกิดทุกข์งานความอยากอันนั้นเป็นเหวี่ยงฉันท่าต่องยอมแยกประเด็นครับคือแยกว่าผู้ที่จะปฏิภาณความากปฏิภาณนะคิดด้วยลองได้แต่ในนิพพานนะคิดด้อไม่ได้ใช่เอะต่อไปนะครับปัญหาต่อไปที่ว่า พระไร่พิโดที่ทำยัไรวมทั้งหมด8ปดหมื่นงพันระธรรมขันั่นขอทราบว่าไปแยกไว้เป็นสาส่วนคือพระวินายส่วนหนึ่งพระสุรเดือนหนึ่งและพระอภิธรรมส่วนหนึ่งใยกหมยแต่ในบางท่านมเป็นฝ่ายเะโถดแย่งว่าถ้าวิิธรไม่ใช่ทุบดพระอภิธรไม่คิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่ยอมให้พระอภิธรรมอยู่ในพระไจดกแล้วพระไร่ิโดที่จะเอาไว้ ลงได้ในทีเป็นพระวิปีโดกหรือพระวิปีติโดกใครประนามว่าพระอภิธรรมควรจะลัดออกจากพระปราบีโดกคนนั้นต้องมิฉาทิฏฐิใครบอกว่าใครบอกว่าพระอภิธรรมอ่าใครบอกว่าพระอภิธรรมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกลียดีินและมันรุ่มร่ามเกะกะคนนั้นก็เป็นมิฉาวาทีนะแต่ว่าอภิธรรมเน่ยเป็นเป็นเป็นอย่างไรอภิธรรมนี่ยเป็นคาขยายความพุทธพจน์ คำขยายความครับหลักคำหน้าแนอธิธรรมเนี่ยเป็นทิฯพฯพฯพฯพยภพตัวตัวมาดิกาตัวที่ทำคําห้าใครบอกว่าทุตินิพพานว่ า, วามไม่แนงที่ทำไม่จบงานที่รรมมปลายขันห้าทำไมไม่มีใครเคยเลยขันห้าเลยแล้วเขาบอกว่ามึงขันห้ า, าอยู่ทุติยภพดังใครบังอาจจะกล่าวว่าขันห้าไม่ใช่ทุติยภพคำขยายกวามและคำขยายความเหล่านี้นะพระบรมศาสดาท่านได้แสดงเป็นตัวอย่างตั้งแต่คำพิจาราลาษาสาถึงภาษาลิบุ ภาษ า, าบุตรคุณมนมุขคือว่าที่ทำพระมหาปุณ น, นะพระมหากนะัพเจ น, นะภาษาบนะุตรอ่าพโมขราณะท่านเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ขยายความออกมาภาสารลุกนแ ต, แต่แต่มาขยายความออกมาล่ยเลอแล้วก็รวบรวมตกลงกันว่าเทระบาทแล้วจะต้องมีวาะอย่างนี้นะคือลําทางทราสูตรนะต่างนิกายต่างมีแล้วสูปรก็คง ก, กันส่ใหญ่ตรงกันพ้าสูตส่วนใญ่กทกายตรงกัน แปลว่ากำตรีความในคัพปูซึ่งเป็นตัวพุทธพจน์ไพฑูตนี่สิไม่ตรงเทระว่าจริงจำตรงๆมีคำตรีความคำขยายความที่เอามันเด็ดขาดรักษาพุทธมติอย่างบริสุทธิ์ไว้จึงไม่เกิดอภิธรรมปีดกขึ้นเพราะฉะนั้นถ้อยคำในอภิธรรมิดีดกแม้จะมีบางส่วนเป็นถ้อยคํำภาษาเวกมันจะพุทธพจน์ ท, ทั้งหมดนะถ้าสาษาเวกเหล่านั้นล้นแต่เป็นพระอราหันต์อราหารันต์บุคคล น, นั้นมนอะ ใครมาพรนามาว่าคาเรานี้ใช่เลยกว่าคำบันามคำพหัสรหันสิม่จําเป็นตัหนึ่งแต่ก็จะโอดทุกคำคำภาษาทีิเป็นพหัรหันที่ท่านขยายความออกมาขยายความพุทธพจนินุทธมาติกาออกมาเช่นกุศลธรรมากุศลธรรมพยากตาธรรมมากุศลธรรมมาได้แค่อะไรนั่นไอเขามาได้แ่ปัจจะตมังรูปังรูปนั้นเป็นไงมีวทไรว่าก็ขยายความคาขยายความออกมานี่แหละเป็นสาวกษาพสิแล้วพระสากาเหล่านั่นล้วนแต่ชั้นภาษาริบุตร พระมาหาปุณณะนี่พรรมาก็คือที่หนึ่งแล้วก็พรามาหากัจจยนะนี่ผู้เป็ผู้มีเอทัสคะในการกระจายทำย่ออิทธิบาลจนชั้นสุดท้ายคือขันโหมขรีบุตรติสาท่านอยู่ไนพระอรหันต์เหมือนกัาาานกแล้วใครจะมาเปนนามพระอาหารหันต์เนี่คยคุณจะนั่ออกจากพระตารีเด็ดได้คุณนั้นมาเป็นมิจฉาทิฏฐิจะทนไหวหรือเพราะเห็นเป็นการเป็นนามคาพราอาหารหันต์แต่บุคคลนี่เออ เพราะฉะนั้นแนวะวิวัฒนาการของพระพิธรรมนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือว่าในแง่ของปรัติศาสตรนแๆ่ของอาภาษานักปราชญ์ทางวิถีศาสตร์ตีความบอกว่าภาษาในพระพิธรรมนะ่ะใหมน่นักบาลีในพระพิธรรมนะ่ะใหม่นักอย่างคาว่าอาราธนาเจ้พิฆเนยในพิธรรมก็ไม่มีแต่แ ส, สดงให้เห็นว่าเป็นการแต่งของอาจารย์ในชั้นหลังมันจะไม่ต้องมีเพราะได้กล่าวแล้วว่าเป็นคําขยายความของบรรดาพระอราหันต์เจ้า ซึ่งยืนหลักมาติกาอันตรงตัวบทพุทพจน์อยู่แล้วท่านขยายความออกมาท่านนี้เองเพราะฉะนั้นอภิธรรมปีเด็กจึงตรงปีดกที่สำคัญที่ช่วยให้คนศึกษาหนะพ้นจากความเป็นมิจฉาทิถียืนหลักเทระวาทีได้ถูกต้งที่สุดป้นหาต่อไปครับข้าพระเจ้าอา่านหนังสือกรรม น, นิ้ที่เรียนมาดูดูเหมือนว่าอาตุปสา ที่จำใยมาแล้วค่ายๆกับท่นานบาบุตนิมฟองเห็นอย่างไรคนเดียวกันใช่ไหมคนแตงกาวมนิสนักเปนชาวเดนมาร์กชื่อคันเยเดรุได้อาศายข้อความทาปุิพังกระสูตรในบาลีนแลชิมนิกายทาูุ้ิพังคสูตรเนี่ยกาวถึงปุกุษาติกุรบุตรเรืร่องราวของปุกุษาติกุรบุตรพระพุทธเจ้าแสดงธาตุธาตุแบง่แบงธาตุออกมาให้กับปุกุษาติฟังแล้วปุกุษาติกดรุก็อาศัยฟังจาก ขั้สูตรนี้แหะครับเรืยองภาษาตีพังขสูตรคันเยเดรุเป็นพุทธมามากะาชาวเดนมาร์กเมื่อประมาณจาก6กสปีกว่าวามาแล้วเขียนในการมนิตสูตรขึ้นประมวนผลงานจากคำพีปไตยโดยพระมาหายานเทรวัตแล้วก็แต่งเป็นละวานิยายขึ้นมาใช่ครับเอาเอาเอาแนวคิดจากภาษาติทีนี่ภาษาตีพังขั้สูตรนี่ไปดัดแปลงเป็นโตกาลมนิสขึ้นต่อไปครับอ่บุ บ, บรคคุคคล ด้วยการพุทธิเมื่อใดแล้วพุทธเวทนาแล้วเข้ายึด เ, เวทนากำหนดจนเป็นพระละผู้คนฆ่าผู้มิชนในกามทุทธิคงจะหมายถึงผู้ถูกฆ่านะครับคนฆ่าคงจะไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นพระละเมื่อใดแล้วพุทธเวทนาแล้วจึงยึด เ, เวทนากำหนดไว้จนได้เป็นพระละแล้วตายไปในบัด น, นั้นผู้ที่ทำรายจะเป็นอนันตเรตกรรมหไม่ อตอนตอนที่ทำร้ายอยู่นะฮะคนที่ถูกทำร้ายยังมาเรีนเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่นอนานันตรียกรรมคนถูกทำร้ายขณะนั้นยังมเ่เรเป็นพระอรหันต์นี่ผูกทําไวอนนั้นยังไม่ดีที่ทนเมื่อถูกทำร้ายแล้วเขาทีงมากาหนดทุกเวทนาเป็นสมวทนานุปัฏนานต่อไปคล้องในบรรลุมรรคผลเพราะดันั้นไม่เป็นอนานันตริยกรรมครับไม่เป็นเอ่อไปเข้าต่อไปครับที่ว่ามีุ เครื่องต้งตังเรื่องต่อตาเต็มมากจนจำนวนร้อยสแสดงว่าเป็นเวลานานาทำไมพุทธองค์ยงไม่ยรมต้งเ้วื่อายามเป็นเรื่องต้องไปถามบ้านอ่งอาออาพยานลิบลิบจิอะไม่ใช่ใช้จำาทาเพื่อนนะ เขพูดฆาหาว่าพุทธเจ้าเป็นชาวที่ทำร้ยทำไมต้องมาบาททุกบ้านโวดัตร่วยการนั่งกินทิพย์ทวันดีกว่ า, ม, า, ม, ม, า, ม, ม, ามันทำไมไม่ต้องไปไหนโดยโดยลาบากไม่ได้ทอเลาะพบาด้วยมัต้องถูกน้าที่งน้ำตามเหาะไปมันตะพุทธตะพูนี่ดีกว่ารฮ้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกอิริยาบถจริงใช้โดยเฉพาะในความจาเป็นเกี่ยวกับการแปลภาษาภาษาลวจริงใช่เกี่ยวกัการต้องการอนุข้อคน เข้าที่ขับขันอับจนคนนั้นเขา้าใจอับจนถ้าไม่ช่วยฤทธิ์ก็จะไม่ทันอย่างนี้ส่งชัยโดยปกติสามมาแล้วก็ไม่สรงช้ยฤทธิ์ทำเผื่อทั้งๆที่พระองค์มีฤทธิ์ไม่ใช้ทำเผื่อเดี๋ยวนะที่ผู้ถามถามนั้นอยากจะทราบจะเพียงว่าไม่เด้ฤทธิ์เห็นนะอยากจะเพียงาบว่าท่านทำไมไม่ทราบกว่าพระข้าตัวตาย อ๋อเจาพเป็นยังไงครับไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครไปฟ้องทำไม่มีใครไปเล่าสั่งแล้วถ้ามีรีวิวจาเจคอยนับคะแนนภากมีอว่าจอะไรนั้นด้วยข้าวครับถ้ายาของพระองค์น่ะไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อจะดูพระในอกปรางค์ผูกผูกแล้วครับถ้ายาเรนนั้นน่ะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์เจตนาจะให้เกิดอย่างพระราจิตตพิชานะเนี่ยที่เขจับผูกทิปพซูปะพูกเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ไม่ตั้งใจจะให้เกิดถึงเกิดไม่เคยเกิดขึ้นปกติธรรมดา ปกติธรรมดาพระองค์จะรับอารมณ์อย่างเราธรรมดารับเนี่ยมาเชื่อไปรู้มีตาทิพย์อยู่ทุกยี่สิบสีชั่วโมงหูทิพย์อยู่24ี่ชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ ใ, มใเป็นอย่างั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้สิเพราะอภิน ญ, ญาวิถีจิตจะต้องเกิดในขณะที่ออกจากสมาบัติแล้วเข้าอธิษฐานแล้วเข้าสมาบัติหม่แล้วออกแล้วเกิดใน ท, ทใันทีเพาะงั้นพรองค์ก็เลยจิตอย่างอื่นสิไม่ได้ครับเพราะเหตุ น, นั่นการที่มีพระศูนย์หนึ่งตายไปเนี่ยพระองค์ก็ไม่รู้ต้องถามต้องถามพระอานนท์ ตอนนี้องค์อยากจะรู้ก็ต้องเข้าสมาบัติอธิษฐานให้เกิดฌานเกิดริกขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ได้เนี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่แปลกผมเติ e ่มอีกแค่วี้นะครับตามวัตรเหล่านั้นจะต้องคงคงค่าไปเพราะว่าเคยทำปานาปิบาตไว้มากเดี๋ยวมีเป็นกั้นงป็นทางที่เระองมองนยงตั้กลากรมามามปติดตามครับไม่เห็นนะครับ ท่า น, นี้่ท่านยังใจแค่หนแล้วตามมาช่วยสิบางทีท่าก็ม่ได้ทำอหไรเลยก็เลยต่อไปนี้รับเรียก อ, อนนาวุธคำชะบอกหึงว่าจับตู้ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้ากระว่าพราะพระพุทธเจ้ามิรคานแล้วแต่เมื่อพระศาสนาล่วงแล้วไปห้าพันปีจะมาเกิดอีก จะมาเกิดอีกนะครับตายแล้วจะาเกิดทำไมคำว่านิพานแล้วเหตนใดจึ่มาเกิดอีกฉันยังไม่มีที่ไหนว่าผู้ใจชอบตัวเองไม่มีเพ้าว่าทำลาอะไรที่ไม่มีมีมไปบอกว่าผู้ภาสนะเขาพาพันโลกจะเกิดกะีจะเกิดนี้ก็สัญีไปทั่วโลกเขาพาพันตีน ะ, ะเขาจะแม้เวลาไนอย่ห่างไกลทุกคำประมาณลงรกอะไรไม่ต้องกลัวเขาพาันตีตเตมื่อไหร่ให้เรายึดบ๊มบันทั่วโลกเมือนั้น รัสเซีเมริกาจินแดงไฮโดรเจนฟาดกันเมื่อครู่ห้าพันปีระหว่างนี้อีกตั้งสองพันกว่าปีไม่เกิดแล้วครับเราก็สบายใจได้มีกระแสนี้เกิดกระทั่งโลกเป็นจุนเปนจุนแล้วก altitude, yes, trees, ours, ็เหล่มดินมนุษย์โผล่มาจากใต้ดินเดินมนุษย์นี่ก็เข้ากรับกระส่ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเวลานี้หลุมหลุมภัยไฮโรเยนน่ะเขาขุดจนอยู่ในใต้ดินขุดกันมีออกซิเจนไฮโดรออกซิเจนเข้าไปอยู่ในใต้ดินสำหรัหายใจทำอาหารเอาคุณทดลองมาอยู่ในหลุมเป็นเดือนๆว่าจะอยู่ได้ไหมออกมาเป็นยังไงบ้างสําหรับหลบตามานู เพราะฉะนั้นห0า0ันปีครบแล้วมนุษย์เดินตายพวกนี้โผล่มาจากดินหมดฤทธิ์ของปรมาโมเป็นพิศตัวอากาศคนก็ร่างกายกลมีกรรเป็นแค่เป็นเกรงอาหารก็อายธรรมทั้งวัตถุถูกทำลายหมดมันสมองคนถูกทิศปรมานมทำไม่เสื่อมฤทธิหมดความจเจริญต่างๆการมีนคนตาสมัยอนารยยะตั้งต้นยุคิมใหม่ แล้วก็ค่อยๆเรือเร่อยๆนานาเป็นยุคเหล็กยุคทองแดงยุคไกลรต่างๆเรื่อยมันล้วังเกิดอายธรรมทางวัตถุเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นแล้วถึงตอนนั้นพระศีอานถึงจะลงมาไม่รู้อิทิโกตีก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาฆ่าพัแล้วพระสรีอานลงมาไม่ใช่มีคนมีคเข้าใจว่าเขาฆัพันแล้วพระศีอานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้<ล>อิทิโกตีไม่ใช่ทำายไม่ใช่ทำลายแต่เพียว่าโ ล, โลกโลกเียมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นประมาณมไปหมดแล้ว แล้วก็ตั้งจิ่มองมาถึงจะมีครับเนงานมาไม่ใช่หปีห้า0ันปีแล้วก็มีรัเป็นงานต่อมีอกข้อ่นึ่งครับรับจิตมหาญานเกิดขึ้นเมื่อปอเข้าใจอะไรครับรับจิตมหายานเกิดขึ้นเมื่อปอเข้าใจประมาณปัตวบัตที่ห้าล้างทุตภะปเรณีภารอาวิชัยผู้ใดจะถามปัญหาอีกไม่รับงหมดแล้วครับถาารย์ครับอ้าอ ที่ถามว่าเกิดขึ้นมหายาณนี่เกิดขึ้นมเมื่อพศเท่าใด <c oughs> อ๋อไดเป็นผู้บัญญัติผู้ที่บัญญัติหนาท่านจะชี้ตัวบุคคลเด็กขาดมืใจไม่มีตัวมีแต่พระเถระหลายรูปช่วยกันเช่นพระมหาคาราชุนพระอัศวโคตรพระวสุพันธุพระอสังคาท่านหลานี้ช่วยกันตั้งครับ เรื่องนึ่นะยามมาหน้าเขาเรื่องอาสุจริรู้ไหมครับ่าพูดถึงวามจงไ ม, ไม่ไม่ได้เท่าเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันสงสัตยออตาคนมนุษย์คืออะไรแล้วคุณจะเห็นเป็นอะไรก็เห็นใจว่าคนมนุษย์คืออะไรคือคือเป็นจะขันเป็นแคขัน ก็เป็นยันขันที่ันที่ผมก็เป็นนขันอันหนึ่งแต่แต่เออคนก็เป็นยนขันเอ่อผมก็เป็นยนขันอนหนึ่งปิ่งก้งเป็นยันขันเหมนันขันป็นคํากับฟ้าไม่ได้่จงกันฟ้าพิุท์แล้วคือเป็นันขันเนะเป็นตัวทุกข์ไงล่ะเป็นตัวทุกข์เป็นยนขันเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์เหเกิดขทุกข์อยู่ในันขันตัวทุกข์อย่เลยเป็นันขันหมด เราแยกว่ามผู้วิจังไม่ได้อันนั้นแล้คุณอะให้กำกับความสั้นๆเนี่ยอันนั้นคุณมาแยกเองอธิบายแยกขั่ใจสูงต่างกันแบบนี้ไง่แต่สรุปแล้วตรงกันอยู่กนอันหนึ่งคือเป็นการขันติดกันทพรานั่นแหละเป็นจารขันตัวเอ่ตอนเรื่องการอ่าผมจาได้ว่าเคยโต้เถียงกันว่าถ้าหากทีไทมาถามว่าขันคืออะไรก็คอเราไม่ได้คุณยังไม่ถึงคมีมูเกียนจะใช้ไม่พูดไม่ได้ อันนิมมูลเกียตนิยมสุทธิผงแปลหรือเปล่ <c oughs> อาอ่านี่ยมถึงคุณขนานั้นใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหู <c oughs> ไ, มไม่ได้จะอา่านแต่ว่าวเราเราเราเราพันเป็นราคาว่าเราไม่สามารถเอาหาคนราได้ต้องพูดเราไม่ใช่คนพันมเจียต ไว้วจอท่านเจอจริงเลท่านนิมเกียรติแล้วตูดที่หน้าหนาเป็นเป็นพระมัญชูศรีภูริศัก์แล้วค่อยยคุนะถ้าวายังไม่คันนั้นเราก็ส่งู้สอนนิพพานแบเป็นคมที่ดับทุกข์ทนั้นพอแล้วต่ครับที่ดับทุกข์มก็ช้ทีว่าเราะเขาันเยต่อประเดี๋ยวเากนิพพานแล้ว เราคิดตเรื่องการบัรงคับาหลายเรื่องนะครับถึงแม้เราคิดต้องไม่สูกป้าหมายไม่ได้ผู้ที่มีควาเข้าใจในเหตุผลก็ควงอาใส่ผู้แวดล้อเข้าไปเข้าไปถูกฟังไปคิดตามไม่ได้มีคำถามต่อยคาถามหนึ่งนะครับคนที่รู้ดีเข้าใจในพรมธรรมดีแต่ก็รูดีผู้ไม่เดสดดาพอนะครับและเออ ผู้ศรีลุกเ่าไปทำมาดีแล้วก็ดูบิณฑบาตมาดีทำมาดีเป็นเล็น้คน่วไปเกลียดพวกบิณฑบาตครับจริงครับคนนี้เองกา่เลือกตั้งที่พวกปฏิเสธว่าไม่ทำเสร็จคืออย่างนี้ครับผู้ศรีลวกเขาไปทำแล้วก็เกิดความพอลงในความรู้ว่าแม้เราจะรูมากไปตัมงนานใครพวกนี้ก็ไม่ขึ้นมาถึงเราอธิบายธรรมะผิดๆถูกๆยกสภาว่าผิดๆแม้แต่คำว่าธรรมาเงนี่ แต่ภูิน่าทำเองเลยอธิบายทํามาลงนี้ไม่ถูกเลยใช่ไม่ได้ไอความดูหมิน่นดูแคลนมันก็เกิดตามสายของมบูรุษชนผิ่นี่ว่าตนน่ะรู้มากอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งครับเป็ไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งวันนี้คนที่ไม่ชอบอภิธรรมก็มีอีกประเทที่ว่าเห็นอภิธรรมมันยากลึกเกินไม่มีโอกาสศึกษาอยากจะเป็นนักปรารถนาลัทธิอภิธรรมนี่ก็ยากเลยปลงใจเมาว่าไม่ใช่เพราะจะพบไม่ต้องศึกษาแ ล, แล้วสบายใจนี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างด้วยแหละคุณขันักปราศไอจะลบโัวไปสุ่ซาภิธรรมหนูจะเสียภูมินักปราศตัวเราะเขายกย่องตัเป็นปราศแล้วปราศทางศาสนาแล้วไอความสุ่ซาภิธรรมเนี่ยสุชาติตัวเองไม่ได้รับแรงไม่รู้ต้องเอาสายจากครูมาอาจารย์อธิบายด้วยนี่เพราะไอความคิขุนที่อยู่ในตังนี้จะไปเที่ยวถามถ่ยใครก็จะเสียภูมินักปราบตัวเลยเมาส์โมเมบอกไม่ต้สุชาละใช่ไม่ได้อีกประเภทหนึ่งสประเภท3ประเภทได้แต่ประเภทที่เป็นนักนิลุกมิบาท นักปริศาสตร์พวกนี้เรียนตามหลักวิรูปปิศาจมียามดีลาถ้อยคําบาลีในคํำพิอภิธรรมอิโดกเทียบกับพระสูตรบ้างเห็นถ้อยคำนี้อภิธรรมนี่ใหม่เกินกว่าในพระสูตรก็มีแล้วก็ตามข้อวามเป็นนาทางรมปรวัิศาสตรก็แสดงให้เห็นว่าอภิธรรมหนาเป็นการแต่งลูกดูดภาษาเวกุลหลังก็มีพวกนี้ก็ปฏิเสธอภิธรรมไปก็มีสามพวกนี้กันแต่หมายถึงนักวิชากาที่ปูกและค้านไม่ใช่ทุกทุก อาจจะเป็นอาจจะเห็นควรถึงเวลาพุทธาสนาเสื่อมเีก่อนป็นอย่างนี okay. ้หรือไม่คือเวลาที่ปวดชักช้า่พุแล้วะเลาะันาอะไรจะตั้งยิ่กันกเป็นเ่อเนี่ยเป็นเป่องขศตสนาสืม่ถูกศสนาวส่อมภิธรรมพดกก่อนเนี่ฟันจาอันตรทานเวลาสัตธรรมอันตรธานท่านระบุไว้ทีเดียว เวลาพระธรรมจะส่บนะอภิธรรมปิฎกสืมก่อนทีเดียวข้อนี้ก็เห็นได้ชัดพระว่าอภิธรรมเน่ยเรียนยากคุกขุ้มลึกมากคนเดี๋ยวนี้ชอบทางวัตถุมากๆเอาเวไาเรียนตัลละเรียนรับเพราะฉะนั้นไอซีเบอร์อะไรยากๆต้องจำเป็นมากๆใช้เวลาเรียนมากๆแล้วไม่ชอบคุณก็ปล่อยสละเลยไม่เคยเรียนกันอันนี้ก็น่าเสียดายแม้วงการสุดต้องพระเราก็ยังทอดทิ้งในการที่จะหาความเข้าใจในพระปริยัติธรรมมุ่งสูงของพระธรรมปิกเนี่ย เนี่ยพ่อพิงไต่อันนี้เราก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นไค่หันหาที่มีส่วนสำหรับสนุนในการศึกษาอภิธรรมเนี่ยยิ่งกว่าเห็นโลกคุณนี่จช่วยกันสนับสนุนให้แพร่หลายไ้มากๆถ้ายิ่งแพ่หลายมากเท่าไหร่วางาากระแสขเราในธรรมะก็มั่นคงใครจะมาล้างสมองเราไม่ได้อภิธรรมอิโดกเนี่ยเป็นกระแสแต่อต้ตานลัทธิวัตถุนิยมดีนะักทีเดียวคนที่ศึกษาอภิธรรมอิโดกแตกแขนแล้วลัทธิวัตถุนิยมมาล้างสมองทำอะไรไม่ได้เลยแล้วผมขอเลีกนจดจํข้อครับ ผนอคถาแสดงเห็นว่าสนั้นาพูกคณียรเรขอที่ไม่มีฮะเพราะที่ไหนต้งไม้ไม่มีเลยแสดงว่าที่ไหนบานไม่มีอาถาไม่มีว่าม่ไหไหหน้าไหนมมีผู้ใดองพั้ที่ปาดไม้จะเจริญเป็นความเชื่อพระลังกาสุนแล้วพระไทยก็เอาคำที่ปาพลังกามาพูดแล้วเน อาจะกถางดีกาคำพีแบบนั้นไม่มีประกอบหนึ่งไม่มีชิ้นอะรของบรรหารผู้ศักดิ์สิทธไม่จะเจริญม่นีแต่ว่าล่างกระดาษพูดชื่อกันว่าเจริญอย่างนั้นต้องมีกระดาถึงศาสนาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งลบครับนึ่งอันนี้อันกระถางผู้ใดหนึนะฮะว่าจะเกียหอหาีแล้วล่าช้าใรที่เป็นผู้ถือเรื่องอาของบรรหารศักดิ์สิทธไม่จะเจริญอ่ะมึงใครเป็นศูนย์กลางถ้าเราลูกนั้นดีนี้ก็ท่านสุดไปแล้วถ้าไม่รูปแรกที่พูดอย่างนี้ท่านก็สุดไป ถ้าคุท่านอย่างนั้นท่านก็สุไปแล้วตอาถามตอบทข้อเดยนะครับเพราะว่าเวลาตใกล้จะแล้วถามข้ออย่ากาว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกาบสงท่านดนเป็นเวลาอันนับเป็นเวลาสามเดือนนหมายถึงสมเดือนในมุหรือสมเดือนในสวรรค์ันแน่สมมนุษย์ครับ สามเดืมนุษย no. so right. ์หกนนเดมแล้วจะนับเวลาในสวรรค์เนเวลาใค่แต่เท่าไรเดียวเวลาในในนั้นดาดวงแ่เดียวีออีกเมื่อนจัสวสมนเมื่อจบแล้วมันจตเป็นงานวิาาตอนจได้มี อาจารย์คิดอารู้ไหมอาจย์ว่นรู้ธรรมเชื่อธรรมเองนะแต่ว่าท่านถามว่าในธรรมจักรปวงวัฒนสูตที่พระธรมมาธรรมตัณฑเจ้าทรงเทศนาให้แก่ปัญญวัีนั้นธรรมยาคนจะยึดเป็นผู้สมเด็จเป็นคแกแล้วก็พระมมาตุสชาติก็ตรัสว่าธรรมยาคนจะยึดมือลงแล้วนะครับท่านถามว่าตัวท่านเองรู้ไหม แต่นั้นตัวท่นพันญาตัวเังรู้ครับท่านรู้ตัวทนแล้วรู้ก่อรู้ยากจะตายรู้พร้อมกับพุทธเจ้าที่ตรพร้อมกันไม่ใช่รู้ก่อนรู้พร้อมกันเพราะที่เมื่ท่านยกอันยาตกวพันยาขาดมุกตายพุทธเจ้ากรอันยาสิรู้พร้อมกันท่านก็รู้ด้วยพุทธเจ้าก็ตรัสด้วยพร้อมกันขณะนั้นไม่ก่อนไม่หลังอันนี้พระ เ่องนี้รื่กได้นะครับผมว่าพระมาท่านอยู่ไกแบบแลมาาีภูรัต์ะจะ ก, กับ่อขอเชิญอาวันพุ่งนี้นะฮะวันทุ่งนี้ที่สำหนักุมเด็กว่ามหาทาตผมจะไปแปลปาประก า, าของท่านสมณะมาจากไทยเซรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นมีประกาศให้ท่านผู้ฟังทราบด้วยถ้ามีโอกาสภูราติสี่นสตำหนักผมเด็กท่ามหาเาตุธ า, าตามมุเชาตรับาศ เป็นมานุโคยะจำลูกน้าพวนรู้ัวแลวรู้อะไรตาละรู้จิตข้าละรู้ใจแต่นีอนที้าะูกน้าในขันน้บว่าแล้วข้าเวลาที่รำไปขันแล้วใจข้าก็า พักอยู่ๆยกว่าอนี้คันคือภาที่จะนำที่ได้ทาในทางได้ทั้งแสดงที่จะเจะ่าคตายูกรมะทว่าเรื่องนี้น่ะผมไปแสดงพาแตสถาพิเศษที่พระมหาธรรมแล้วเมื่อดูที่แล่าเองลุ่เลี้ยงูโกรมะว่ามื่อ่ันผู้ถามมาถามตั้มที่นี่ก็อยากจะเล่าอธิบายสั้นๆซูโกรมะว่านที่นี้นะสรุบแล้วนะ ผมอยากจะเชื่อว่าไม่ใช่เสวนาหนุ่มหมู่อ่อนหรอกแต่เป็นยาขนาดหนึ่งเป็นยาที่นายชินภาคกำมาระบุนะับปรุงพิเศษตั้งใจจะถวายเป็นพระูสดุดมังบาทพระรูปของพระบรมศาสด า, ษาอัชกษาก็ไปให้ในายยะไว้ตั้งมติในสุมังคราวิราชีให้3ามนายยะมติในปรมาภิทีบรีให้ห้านายยะทั้งหมดนี่ก็สูว่านี้ มยาทาห้าเนี่ยหนึ่งแปลว่าหูหมูใจตามตับนี่หูอ่อนหูกระบะวชัททวะมัททวะแปลว่าอ่อนอ่อนโูนมัททวันมัทวะอ่อนโยนหูกระบะโมมัททวะก็แปลว่าเนื้ออ่อนเนื้อหูอ่อนนี่ปลตามตับได้อย่างกมลังทุกดินเลยกูเทงตามจับเป็นยังงั้นอีกมายาหนึ่งมาจากภานว่าได้แก่เหตุเห็ดชนิดหนึ่งที่หูชอบอีกมายาหนึ่งแปลว่า ได้แก่ยาที่ปรุงตามคำมภียงรสายเยนเวสยาที่ปรุงตามคัมภีรยงรสายเยนเวสของพรามเนี่อีกม่ยะหนึ่งอีกไม่เยะหนึ่งท่านหมายความว่าเป็นอาหารพิเศษที่ปรุงด้วยบุญจ้าครูรสขูมด้วยน้ำนมเป็นข้าวชนิดหนึ่งที่ปรุงอย่างอเนกอร่อยแล้วโอ้ขูมด้วนน้ำนมครูบริสุทธิ์นี่น่าชิ่นมากเลยถ้าอย่างนี้ก่ตอบ อะไร่รอยมากอย่างคล้ายๆมาขกาย่างของนักบชาบา ย, าบา ย, าบายาอย่างนั้นแหละทำนงนั้นนี่อีชนิดหนึ่งท่านว่าได้แก่พืนชชิดหนึ่งพือย่างหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นี่พ้าะนั้นสรุปแล้วผูกระมทะทวะเนี่ยไม่น่าจะเป็นเนือ้อหออถ้าเป็นนือ้อหออแล้วทำไมจะเนพิษกับพระลเจ้าถ้าเนื้เป็นพิษตของฉลองกับพระลูก ถ้าอื่นก็ไม่แสลงนี่นะฉันบ้านนี่ถ้าอื่นที่ติดตาพระมาพระองค์เอาไปสังให้นจุนท่าไปสังทาไมถ้าบอกว่าอ๋อเนื้อเ่าูเนื้อหมูนั่นน่ะเป็นเื้อหมูที่ไม่ดี้หมูที่มีรูเนื้อหมููดูสิมจุนาน่ะจะเลี้ยงพระจุนท่าจะไม่อยากจุนอะไรลูกในช่างทองวนตลาดหูในเมืองตาวาจะเลี้ยงท่าทั้งทีดูสิเนื้อบูดมาแตงข่าพระได้รอ กเตรียมขาทะนยะโคจริยะตลอดคืนอย่างลูงเพราะพัดทีนมากจะมาฉันตอนเช้าคืนนี้ก็ไม่ได้หลับป็นเป็นนอนเป็นคนเข้าคราวัวคุมการปรุงอาหารเองเสร็จพอทําสุ็จพอดีย่ำรุ่งได้เลยแไดสว่างพอดีก็ส่งคนไ้พูนาราธนาพระองค์มาท้องกับพิสุโสมกาโลกมาทีเดียวจะไปซื้อเนื้อหมูปมาแก้ไข้พระได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้มาเป็นไปไม่ได้แล้วจะแปหมายถึอาหารที่หูไม่ได้นจ้าโครุอย่างนั้นหรูอบ้าอย่างนั้นยิ่งย่อยง่ายยิ่งร่อยใหญ่ ไม่น่าจะไปฟังไปไปไปทำลายซะเลยเพระองค์ฉันไม่ได้องค์อื่นมาฉันได้นี่นะอจะแปลว่าเห็ดนี้เห็ดเข้าขที่ถ้าแปลว่าเห็ดในในยะนี้เพราะปัจจุบันนี้มีหมูหมูหมูป่านะหมูหมูชนิดหนึ่งเห็ดชนิดนี้ในอินเดียอ่ะมันเกิดใต้ดินแล้วคนที่จะไปหาเห็ดตีนอ่ะต้องจงูงหมูไปหมูบรรลุว่าเห็ดชนิดนี้นะ่ะมันอยู่ที่ไหนพราะมันไลยเจอที่ดินสูงนั่นที่มีเห็ดอยู่แล้วก็ มันจะใช้เชี่ยวของมันเนี่ยขุดขุดขุดขุดคงก็รู้ทีเดียวอ๋อใต้ดินนี้มีเห็ดชนิดนี้อยู่เขาก็ขุดเอาเห็ดนี้เอามากินยังมีในอินเดียยังใช้หมูชนิดนี้เป็นมะขุเทศนำไปขุดเตปก็ยังมีอยู่หมูมันชอบเพราะฉะนั้นไม่ยะนี่เข้าทีพราเข้าทีแล้วเห็ดชนิดนี้เป็นพิษกับพระองค์ก็ไม่น่าจะเป็นพิษกับพระที่ยังมีสุขภาพดีที่ตามเสด็จเอาไปสังทำไม่ลูกการก็จะบ่งว่าไม่น่าจะโต็ทั้งเห็ดทั้งเนื้อหมูเออทั้งอะไรข้า เพรา ะ, ะนั้นไมยะนี่เข้าทีผ้าเข้าทีแล้วแต่ทีนที้เป็นทิศกระโง์ก็ไม่น่าจะเป็นทิศกระพระที่ยังมีสุขภาพดีที่ตามเสด็จเอาไปฟังทำไมาลูกการก็จะเด่ว่าไม่น่าจะเป็นทั้งเห็นทั้งเนืหมูเออทั้งอะไรข่าวเป็นโคโรนออกไม่น่าจะเป็นแล้วมันน่าจะเป็นยาเสียแล้วยายาซึ่งปรุงตามประสาอยุทเล็กของขามในจุลทะมีเจตนาต้องการขวายตัว ข, ข้างอุจจตุมูลพะละงกาลังของพระศาสน า, าแล้วก็หงุดหงิด ธรรมดาการรมงยาตามแผนโบราณเนะ่เขามีการคูณธาตนะุนะชว่าต า, าคูนธาตุล้วก็มาจากอินเดียกันตั้งแต่แพทยศาตร์แผนโบราณนะเราเนี่ยคูเดมกเป็นแครนะมาจากอินเดียนะรับมาเรียอ่ามีตั้คูนธาตุคูธาตุใครนะเครเบาเขามีดูปุ๊บคูหันคูหันเสร็จแล้วเข้าเข้าขึ้นสมนไ ท, หทให้หมอกขึ้นมาระโลกอันนั้นก็เมื่อย า, า, าถนานาา น, นีหมอกขึ้นมาอ่นแล้วก็ยังมอกกับคนอื่นซิที่สุดอีกไม่หมอกตอนนี้ถ้าหากว่าตอ้องอนุญาให้เป็นถวายอันข้าี่สุกนี่ จะทับจะโผลจะเป็นอันตรายก็อนการอค์อื่นที่แพทยุกภาพดีๆไม่เด็ดเป็นโรคอย่างโรคอุจจาระฉันกระปาก็จะเกิดเรื่องอย่างวิตามินเนี่ยวิตามินทุกนี้รายยาวิตามินใครกินมากเกิดวิตามินเป็นพิษเพาะวิตามินเอาเลยบานตีนี่ไม่ใช่วิตามันมีกมดกกินได้ทุกขนาดทุกคนหรือสมมเราลัหนก็เปล่านี่นะครับยานี่อยู่ในชุมภาปเป็นเป็นอูจขนาดพิเศษเรียกว่าสูกระมัวะทำไมชื่ชื่อเรกซรมควะไม่แปลกเลย ชื่อยาโบราณที่กันมนบบาใส่จักรวาลฟา้าครอปเนี่ชื่อยาสมันี้ก็ตองเป็จักรวาลฟา้าครอปจริงๆก็จริงก็บ็ตัวอะไรก็ตัวัดอาเพ่งพิษก็ไม่ก็ยาที่ไหนมีมากาสหน้าก็จริงชื่อเขาต้องเอานู้หรือยังยาที่แบบ น, น, นั่นโดนกระาสีถ้าใครไม่ก็จะต้องไปบีบกันนางอหไรนางสีโตมาเป็นยาอะไรก็แงหาที่ไหน้นเมืองไทก็ไม่เจอนอกจากไปเขาดินมันจะเป็นตัวูเน่ ไม่ใช่ยาหนั้นมาสีม่่ไม้ถงตสมุนไทรเไม่เก่งชื่อนว่าสีเอาไว้เพ่ักที่ผู้หญิงที่เขาอยู่ไฟกินรุงเหืมีนมให้ทารบืเป็นยามุงกาลังกรหญิงแมลงปอด้วยต้นน้นนมว่าสีจ้คุณปู่ตรู้จักดีราเด็กติงายาไทยทุกรานรู้จักดีหมดไอ้ตุ่มน้นมวาสีเน่หน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าะําดืจากน้นมแมถึงตมาไม่ใช่ยาขนานนี้ก็ชีวูกรมัะละโดยในยะเช่นเดียวกัน ปรงขึ้นขยายเป็นพระโอษฐ์แล้ที่เขาจะแก้เป็นอาพาตกำเริบอย่าไม่ใช่กำลริบเพราะยาในสินทาแันนะกำเริบเพราะเหตุที่มันจะกำเริบของเรื่องเองเป็นไปเองหลังจากสูเองถูรธรรมะในสินทารอเขาองค์มีพละงกำลังเด็นทิศธีลาไปดับขันธิกุธินาราได้ดยอาศัยยามือนีแหล ะ, ลละเนี่ยเราให้โดยาเสอเนี่ยว่าเห็นว่ายาขนาดนี้ไม่เป็นประโยชน์กับที่สูตองค์อีกต่อไปแล้ว เพราะ อ, อ, อุ่ยเขาไม่ได้เกิดข้าใย่ออเพราะอุ่ยอุ่ยใช่ไหมคนตังคอาไวา้หรือคนผู้คนหลังไปรู้ด้วยว่าเอ้ยาขนานนี่ผู้ทธเจ้าขันเคยฉันเราเอาบ้านี้จึงมีไปเดือดเกิดเรื่องก <c oughs> ็มีคุณเท่ากันไปหนักเบาไม้เหมือนกัน้านอ่อนธาตเบาคือขนจึงมีไเป็นการมันงมันจะเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นในข้อนี้เน่ยท่านท้าวก็ถามดีแล้วเป็นเหตุให้ได้าำวามกำจ่ากันสักทีว่าสูงกรมะมุมทว่าไม่ใช่นนิมวอ่อนแต่เป็นยา ทูตเจ้าคงแนะนำผมว่าต้องเป็นพรันจะถกไม่ใช่ไม่ใช่าไม่ได้บอกท่านบอกว่านอกากาาคนยังไม่มีเทวดาอินทร์พมคนใดจโตกินยากินกินอาหารนี้แล้แล้วย่อยได้จันนี้อันนี้ตัดเป็อีเดียวเป็นจำนวนวนเนี้ไม่มีบออทีเดียวมีบอกแตาไอเดียบอกว่ายาท่านูดง่ายใพูดยภาษาปัจจุบันก็บอกว่ายาขนาดนี้เหมาะสำหรับเราเพียงคนเดียวหรอกนะมันเหมาะกับโลกของเรากระาแต่ท่าบาของเราคนอื่นแ้ไม่เหมาะลเราะ้นชีวไจะไม่ย่อจะเป็นพิษแปลว่าอะไอย่างนี้ แต่โบราสูดนสมุดเลยวะไม่มีเห็นเทดาอินทรมคนใบสมณะชีพรมคนใดจกินอหานี้ได้ย่อยได้มาเป็นอย่างนั้นคือของเปลาอยู่นะถ้าจะเป็นโบราเนี่ยมากเลยนะ้าค้านยข่อมาห้า้อเนี่าเจ้อร้อยยังไปนหเนน้ก็มาห่อในคุณเห็นตามตัวในในหนังสือเขีนที่เขาว่ กนะ็เป็นคนหามอนะนะนึงก็เป็นทหารมาจ้ต้องหอกมาไม่ต้องหามาหามาห้าร้อเลยตกวันขึ้นมาเลยั้งห้าร้อยนีะเป็นจับอเมรกิกาั้ขยะห้าร้อยแปดหมื่นสี่พันแสเป็นอเมรกิกาั้ขยะอย่าไปถือําตู้เล่ถ้าไปถือตาตู้เล่ก็กลัวลปั่นหมดเลยครับอย่า ง, งเราทกวันนี้พูดกันเนี่ยมากมายสูนยขาของเขาเราตาเนี่ยคนเยอะมากมายมนหน้ามหาสมุทรแล้วไอจิงคนมันหลากมันทหน้ามหาสมุทรเป็นไปยังงไดมันไม่ได้ เป็นข้อหน T, ที่คนโลราณพูกันเขาเขา้เขาใจดีแต่คนปัจจุบันเม่หา่างกันตั้งสองันกว่าปีฟันแล้วมือก็จะองเป็นห้าแล้วจริงๆเป็นเต้นะครับถามว่าถ้าอภิษรรมถ้าใครประสงค์จดเป็นสี่หมืนแบบแต่เป็นสี่พันก็ทำ แล้วก็มีาทน่ง่นอรานนนแจัาะพอีมูลทไปอ่านไหมคำที่อักษรมีตัดคำที่สมุหะวินุทนีและคำที่สมันตักษะศิกระภาษานและคำที่สุมันคระอิราศิีอภาษาศิกรทั้งทั้งหมดนีมีเป็นภษาไทรอบแจกในงานขดมังกราดกเกนีมนะท่ามีนั้นบอกว่าใษม่ใชษาีบอกว่ามีทด จะมีปัญหาอยู่ในครครัวเามแล้วมาหรืว่าในจุลมันถวายแตมาถือว่ายาทำไมถึงตัดก่อนเนี่ยคาดว่าตอบแล้วคงจะอย่ารู้อะไการที่นจุลมาถวายแล้วทำไมทำคาดบแ้วงเงี้ยไม่ถวายโอเพราะว่าในจุลน่ะเพราะิจารณ์รู้ว่ายาขนานี้หมอเขาโง่ลยหมอคนอื่นแต่ในไม่รู้เลยจุลในจุลไม่ก็เป็นยาที่มลังกำลังแล้วแต่ทำมาเยอะๆนะเตรียมมเยอะๆมัตรียคุกเยาะนี่เพราะพิจารณ์นะเปล่ เป็นไม่เป็นมอแต่หลายทีเดียวแล้วเป็นอันเข้าในทัวเพราะอาหารทุกที่มีที่นั่งเลยทีเดียวแต่คุณจ่าเห็นว่ายานี้เป็นยาทีุ่พิเศษเข้าตัวยาที่เหมาะกับพระลกองค์แล้วก็โดยไม่ควรจึงห้ามในจึงไว้ท่านนั้นเองถ้าไม่ยิ่งหน้าเชื่อเป็นยามากสุดแต่ผมพ่ว่ายาบางอย่างผมได้กล่าวแล้วว่ามันมีลาดนะพาดเปลาตัวยาลัางเมื่อชอบรังยาคนบางคนหายจายาเม่านี้แต่คนบางคนกินยาเม่านีา้กลับอาการกับทุด พระอื่นๆท่านนี่ไม่มีโรคใครใครเจ็บอะไรนายจริงพระ้นควาตำรายาขนาดนี้มาปูนขึ้นเป็นพิเศษทำเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็ตั้งใจดีว่าอยากให้พระทุกรุปในศาลมีกำลังกำลังชวกันให้ทั่วถึงกันแต่มันเจ้เองตรรู้ดีว่าคนอื่นที่ก็ไม่ได้มีอาพาธนะคือไปกินยาหมอานี้เข้าเราต่อกลับจไม่เป็นประโยชน์มึงก็ม่ตามินเ่ยคนดีๆมเป็นอะไรเลยกินยาวิตามินนี่ไม่เลวแคลเซียมเถิดนั้นจิงห้ามเลยพระอุปสรรคเบราว์กตัาคตเป็นคนมีชรย่อิด พระองค์มีอาการระลกอยู่แล้วจึงเหมาะกัะยาที่ในจิงภากลุ่มไม่ใช่อาจีนทับมันไม่อาจีนเลยบักคำที่กาผ้ามันเป็นแปลว่าอาจีนอาจีนไม่โลหิตถ่ายนะถ่ายไปโลหิตออกมาไม่ใช่ไหววา โกงเขาพูง่ายๆว่ามูลเหตุที่ประชวนบัตรัมนิกรพ่านเป็นผลมาจากเมื่อ45ปีก่อนเมื่อยังแสวงหาวิโมกขธรรมอยู่บันเินทุกขะกฤิริยาอดอาหารพวกโรคกระเพาะพวกง่ายโกคําไส้โรกพาะโลกอันนี้เป็นโลกผึ่งนี้่อยังหนึ่งเมื่อยังบัรเนวิโมกขธรรมบรรเทนตบะอดข้าวอดอาหารทั้งๆปิยาต่างๆแต่ว่าในระหว่าง45ปีมุ่มีภาะกาลังแข็งแข็งแรงโลกนนี้ก็หมดกเลก มากำลังโลกเมื่อปีสุดท้ายเมื่ ก, กำลังกายเมอ่อองค์หย่อนยานเต็มทีแล้วเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วโลกนี้ ก, กำลังโลกสิไม่ใช่ฮวารครับไม่ได้เกียกับฮวาเลยเป็นโลกเป็นผลมาจากโลกกระเพาะเป็นโคลกกระเพาะด้วย น, นโคกโกวังใตมาก่อนอ อาอาก็น่าครับนักสืบคุณว่าก็สรุปได้าม ว, ว่าคุกรับมาสวาที่คุณก็เรือเป็นยาเหมือกันใช่ไหมฮะัต่เขาจะเป็นขนมไม่ได้ครับไม่ใช่ขนมเลยฮะ ถ้าเป็นขนมปูนจักในประเภทขาธัานย่โพชันย่าแล้วนี่มันอยู่นอกประเด็นขาธันย่าโพชนันย่ไม่ใช่นะแต่เป็นหน้าติดใจอยู่งนานหน้าที่อยู่อันหนึ่งในบาหลีไม่พบที่มาตรงๆบอกว่าเป็นหัวขูกรมัทธวานแล้วประชวนอาพาธก็เพราะหัวูกรมัทวะนี้ไม่ปรากฏไปปรากฏเป็นคาของพระสังคีติกาจารให้พูดคุยอย่างที่คุณว่าเนี่ยบอกว่าเพราะอาหารอั น, นี้แหลไเป็นเหตุให้อาพาธกล้าขึ้นมาเป็าติดของพระสังคีติกาจาร มันเป็นเวลาที่จะถานอาหารนะนี่ก็ตามธรรมดาเนี่ยหมดพระไปพร้อมกันเนี่ยเขาถ ถ, ถวายัศฐารนี่ก็คนจะถวายพร้อมกันใช่ไม้มครับแล้ในขณะเดียวกันเราทำไมจะไปถวายเป็นยาลราในขณะที่กําลังขันัศฐารอ๋อถามบอกว่าถวายหารพร้อมกันทำไมจะมาเป็นยาด้วยยานี่ไม่ใช่อุสุติเองเงเลยครับถ้าใช้อุสุติมันต้องใช้อเคตัดช้าหมดเรื่อง มันมันไม่ใช่โอสุดตรงๆคานองค่อยๆเจอกันชุบมันมันกลังคานองนันแหละแตมีเชื้อพวกตัวยาสมุนไพรอะรลงไปด้วยเป็นได้ั้งอาหารไม่ได้เค่เป็นได้แคงยาบำรุงสองอย่างไปในตัวก็ไายแล้วว่าอย่างยาสมนไพรเราบางอย่างเนี่ยข<า>ับใายเป็นการเลี้ยงก็มีการส่งก็มีอย่างนี้คับมองกันนะครับมันก็อาจจะมิองนันอาจจะมีว่าเพ็ดอ่อนก้านตนกับเนื้อออกเือหมูอ่อนแต่ม่นจะเป็มไได้นะ เรื่องเนื้อหมูนี่เรื่องยาอะไรอะไรก็หลายายอย่างเลยนะครับเรื่องเนื้อหมูนี่ผมอยากจะตัดประเด็นไปเลยทีเยวเรื่องเนื้อหมูถ้าจะเหตุก็เป็นเห็ุอาจจะมีการแกนเหตุแต่เหตุนี่ก็ต้องมาจากเหตุอย่างเดียวต้องมีเครื่องยาอื่นผสมถ้าเั็นเพียงเหตุอย่างเดียวก็ไม่น่าจะเป็นเป็นเป็นหตุเป็นอย่างนั้น ก็าพออิ่มข้อมือหมูอ่อนแ้วก็ข้อหน่อยได้นะตัดปัญหาก็แล้วแต่ครับแล้วเราจะเอาข้างหน้าไมา่ติดาไปก็ได้อาจจะเป็นข้าวอ่ อ, อนหุงลงโคเป็สมนิเหตุว่าสุ น, นิ้วหมูอีกเป็นซุกนอใหญ่อะไรอเงี้ยก้มยาอีกแล้วแต่เราจะคิดทันทฐาลเล <c oughs> นเอางนี้เขาว่าข้างหน้าไม่ติดที่ฉันว่าเลยตรงนี้เราว่าเราไม่ทราบเลย ไอ้คุณโตของอินเดียดีนะครับก็อาหารทั้งเนี้ยเขากุนอย่างไรก็มิใจอย่างไรที่จะยอกปัญญาอย่างไรที่จะยอกเป็นอาหารอะไรนี่ใช่ไมฮใช่ครับทีนี้ก็ต่างว่าสมมุติว่าเขาเขาแปนปัญญาเนี่ยเขาคนถวายทุกอง์ไม่ถวายเฉพาะพระพุทธเจ้าหรือว่าเขาเจาะจงถวายเฉพาะพระพุทธองค์เท่านั้นครับเจาะจงท่านั้นก็มีที่สุโขด้วยรูปกรรมยางนั้นก็หมายความว่า ก็พอไปนั่งเข้าเถวว่ามันคงไม่ได้จับกำลังมันอย่างที่เราทําเนี่ยคือว่าพอถึงก็ตัดองค์แรกก่อนแล้วก็เลื่อยๆไรนี่ใช่ไหมอาหารการเลี้ยงพระนอินเดียทำไมุัตการจะรูปนั้นอ่าตรนี้เราตักให้พระองค์พระองคพระองคฉันนะครัเมื่อฉันแล้วก็อาจจะเรื่องกองปราบโดยานยีิสี่อะไรใดก็ตามเทายหนี่มันเป็นคิดกระไรยากจะให้องค์อื่นต่อไปเลยคอ่าเป็นการถวายพระเจ้าพระองค์พระเจ้าพระฝังเพาใช่ใชครับถูกแล้วครับที่เข้าใจนก็ขอบคุณมากครับ แต่ก็โทษอาการที่ว่าเมื่อกี้นี่หละมีมีการทค่อนเดินเป็นมือใช่ไหมครับอันนี้เท่าที่ผมเคยพบแล บ, บผมครับและเคยสัง่งพันมาจากโตรมโตยอะไรแคนาดาอะไรนแต่นี้เห็นอาการบ่อยๆครับมูนี้เห็นบ่อยๆเมื่อเร็วๆนี้แหมเรื่องก็่าทำเจ้าอาวาส อดีตเจ้าวาดคืออดีตเจ้าพิณรธรรมเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ครับ่ในเรื่องของท่านนะครับแต่ว่าที่มันเกิดกันน่ะหลายคนครับหล<ต>ายคนครับคือวันนั้นนะครับเป็นวันพิจร า, ารณาของศารทหารผม<ด>ไปนั่งคุมกันอยู่ด้วยและพอเสร็จแล้วก็ไปฉันที่บ้านอุปถากําลังฉันๆเรากำลังฉันอะไรต่ออะไรแล้วแล้วอันนี้มีเหตุจารณ์ไหมครับเขาก็ขยันขยโยให้ฉันฉัน ผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่เห็ดเห็ดแต่โค่นนี่เขาบอกว่าเห็ดขึ้นในบ้านเขาก็มาเออไม่ได้อันตรายก็จะให้ผมรับสารผมไม่อาบารแตนี้เขาก็ไปขยันจะยอเอาท่านอดีตพระรินงบนระสามให้แฉะฐานไปสองช่องนผลต่อมาผมก็ไปศาลจะท่านไปถึงศาลท่านถามพยานประเด็จสักชั่วโมงเดียวเป็นลมครับสมอตขออนุญาตศาลนั่งศาลเข้อก็ให้นั่งถ้าก็เดียวเดียวก็ไอเสียน ก็รีบ เ, เล่ยกันสารก็ออกมาบ้านมาทุ่บ้านก็พญาผมไปอยู่ข้างหลังชือหมายคามไม่อยู่ไอ้ที่ห้องเลี้ยนกันอยู่ยพอถึงประกอบบ้านเนี่ยมีคนบอกผมแล้วบอกว่าพญาผมจะเป็นหมอเหมือนกันใช่ไหบอกคุณหมอมเออจะทาหยุดเข้าไป อ, ไไอ ท, ท่าเตรียมท่านเขาใรี ส, ส่งไปโรงพยบาบาลแล้วอย่างนั้นอการเหมือนกันเลยอ ย, อย่างที่เขาว่านี่เหตุนีร้อมากครับ แต่ไอ้หนี้ผมคิดว่ามันกระเท็นเรื่องหกมากกว่าถ้าไปฟังในคำบาดจากเอกถานทั้งหมดเลยแหละก็ว่าว่าอะไรเหตุนั่นเนี่ยเกิดจากจาแดนด้วยเลยไม่จคอแต่ไม่จำแไม่จำนี่ครับนี่นี่ผมคิดว่าอากานี่มไม่ผิดถ้าหากว่าเอาแพทมาบ้าเป็นครุ่งเจ้าหนาฟังเียวครับก็เข้าทีครับที่คุณเสนอค่ามเห็นนี้ก็เข้าทีคเข้าทีเลยครับเข้าทีคเหตด้อนกันห้มันมันมันมีพิษมาก แล้วพระพุทกเจ้าท่านคงได้ด้วยว ย, วยามก็คงจะเห็นพี่ห้ามาให้คนอื่นเนครับไม่ให้คนอื่นเอาไปกินเอาไปฝังก็เถอะเพราอเหตุว่าไเหตุนี้ก็ผมเห็นมามากเกียับแม้วันนั้นตั้งจุดพ่อคนครับก็ผมกาลังไปอยู่โรงพยาบาลกับภรรยาผมแต่ว่าเขามีวันอุทีรักษาดีสมัยนี้ครับเขา ม, มันตัวเขาไม่ให้อะไรไปที ไอ้น้ำเตียมก็โดนโลสิตไปสพิรับไปเลี้ยงร่างกายไปเป็นกำลังแต่ถ้าไปกินอะไรอื่นไม่ได้คทานี้แกระเดียวเดียวล้ับคนไปโรงพยาบาลจะเสพิดกว่าผมเทาเหตุนี้ครับก็ไปล้างท้อนล้างค ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลองปล้างทลอล้ก็หายไอ้เ น, นี่ยครับลองพิจารณากันให้ดีแล้วก็ เอาแพทย์มาแักควันนี่ยนะครับแล้วเอาก็เห็นจะไม่แน่สิครับโอ้มันเป็นมัติแม้แต่ผ้าตะกั่วจานเองทั้งวันเสนอมัติกว้างๆใ้เราเห็นออครับแต่เรื่องมติเรื่องว่าเป็นยาเนี่ยเป็นมติของผมที่อยากจะเห็นเป็นถนองนั้นแต่ว่าคือสมัยนั้นนะครับเอ่วิทยาศาสตร์เออทางการเออเริ่มเกี่ยวกับเหตุนี่ก็คงจะมีความรู้กันไอ่อและเหยียดอย่าเดียวนี้แต่แพทย์เนี้ละเอียดมากครับก็ช่างง่ายเลยนะถึงโรงพยาบาลหมดกำลังแล้วนะฮะเอาน้ําตัวให้ไป คือเลี้ยนะครับหายแล้วครับเนี่ยังมากครตนมากเี่ยครับนี่เก็บจะหมดกำลังเกืบจะขึ้นใจอยู่แล้วครับเีลองพิจารณาเลยเอกตอนหน้าพิเชอนีฮะครับเท่านั้นเลครับขอบคุณนะครับผมมีปัญหาคนับเรือว่ามีทำพระพุทธศาสนานี้ับ ต่อมีผู้ถามบอกว่าทำกรรมอะไรถึงเกิดเป็นกระเทยแล้วกระเทยเนี่ยบวชในพุทธศาสนาได้ไหมกระเทยใ น, ในตามคัมภีร์พุทธศาสนาเหล่าแบ่งประเภทกระเทยออกหลายพวกแล้วไปตรงกับวิชาทังทีว่าวิทยากับวิชาแพทย์ที่เขาตัดระบบประเภทกระเทยไว้ด้วยคือคําว่ากระเทยตามความเข้าใจของเราเนี่ยยัเยเข้าใจผิ ด, ดอีกมากนึกว่ากระเทยแล้วอ่าเป็นคนรักรเพศทุกคนไป ความจริงก็เคยตามวิชาทางแพทย์ก็จับเป็นสองขูดใหญ่หญนะคือกระเทยแท้กับกระเทยเทียมพวกกระเทยเทียมนะ่ยภาตาฝรั่งเขาเรียกว่าพวกอโอนูเซคชว่นแปลกันว่ารักโร่มเทศผู้รักโร่เทศพวกนี้นะี่ะเป็นชายจริงหญิงแท้หมดไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าอ่าวิปริตไปเลยอวัยวะทางกายเนยไมมีส่วนใดส่วนหนึ่งวิปริต้าจะวิปริตบ้างก็เป็นเรื่ us, องภายไม่เรื่องของฮอร์โมนเรื่องของอะไรระบบวงจรต่าง ไม่เฉยภลายนอกพลายนอกอะไรเนีมีวิปิตชายก็ชายจริงหญิงก็หญิงจริงทีเดียแต่เขาว่าเป็นโดยจิตใจเป็นโดยจิตใจมีความนิยมแตกต่างไปกับคนทั่ ว, วไปรักเณะเดียวกันเลยโฮโมเซ็กชวลพวกนี้เรียกวกระเทยเทียมถ้าเป็นพวกนี้แล้วมีอีกแบง่งทางพุทธศาสนานะแบ่งแยกอีกถ้าเปนกระเทยเทียมนะบางพวกบวชได้บางพวกหวชไม่ได้บางพวกหวชไม่ได้คือปริตที่ว่าวิปริตมากมาหบวชไม่ได้ ประเภทที่ว่าเป็นบ้างหายบ้า ง, งก็พอจะบวชได้พอจะอดรมกันไดน้บวชกันไดน้เป็นบ้างหายบ้างมันจะเป็นจาเจียอยู่ตลอดทุกเช้าเชื่อวันอย่างนี้บวชได้กลุ่มกะเทยอีกอีอีกป ร, ร, ระเภทหนึ่งเป็นกระเทยแท้พวกนี้ห้ามบวชเด็ดขาดในธรรมวินยัยแล้วก็ถ้าพระไปคบค่าสมาคมบวชปัดอาบัติด้วยห้ามให้คุกค่าสมาคมคุค้าสมาคมเป็นอาบัติถูกต้องนี่ต้องตัวเป็นอาบาัติพวกนี้พวกกะเทยแ่เนี่ย ม, มีเครื่องหมายเพศปิเปริศออกมาภายนอกชัดเจนเลย เนผู้ชายจะมีเต้านมขึ้นมามีหน้าอกของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็มีหน้าตูกนี่ยอย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงไม่มีหน้าอ ก, ห น, าอ ก, ากนนหน้าอกสามต่อมีขนขนีหน้าอกเหมือนนผู้ชายเสียงงวดงวดงหนวดนอออกมารุ่มเสียงห้าวหานอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นพวกกระเทยแทะในทางพุทธัาสนั้นเราเรียกว่าพวกอุปัตโตพยัญชนะอุปัตโตพยัญชนะนี่หอกเลยด่คนนี้มีอวัยวะเพศสองอย่างในตัว คนหนึ่งเนี่ยห้ามบวชเด็ดขาดประเภทหนึ่งบั้นดาบวชไม่ได้บร้ดาะได้แก่ประเทศตอนชื่เป็นผู้ยงพวกขันธีไปตอนเที่ยงพวกตอนก็ห้ามบวชถือว่เป็นพูกวิปริตเพราะพวกตอนเนี่ยส่วนมากจิตใจเป็นวิปริตไปหมดพูกตอนพวกตอนเนี่ยพวกนี้ห้ามบวชครับส่วที่ถามแบบว่ากรรมอะไรที่เป็นเหตุให้มาเกิดเป็นกระเทยก็ต้องตอบไปว่าถ้าคุณพูดกระเทยแค่ตำราท่านบอกไว้ ถ้าตาข่ายจางแหละท่านบอกว่าเึ็นวันในสารุษะในใ น, ในสารุษษะสังฆาหา์ท่านนั้นอาจานท่านบอกว่าการที่ทำมือบุคคลเกิดมาเป็นกระเยทยคือเป็นกระเทยแท่เนี่ยได้แต่ข้อตามือที่มีตาจานทําผิดลูกเมียเขา้าไปทําผิดลูกตรงชู้เขาถ้าผู้หญิงจะทบชู้ถ้าหนา้าผู้หญิงกลับมาเกิดมาเป็นกระเทยหญิงกะเทยหญิงนะถ้าผู้ชายทำชู้ผิดลูกเมียเขา้าเกิดมาเป็นกระเทยเป็นกระเทยแท่ พวกนั้นก็เคยแค่เกิดกรรมที่ไปทำกรรมเลยจึมีฉาย์ประ ก, การนาานกนกนหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกบันดอกพวกตอนล่ะเกิดจากตอนต่ดตอนไก่ตอนมัวตอนควายพวกนี้เกิดมาต้นไปตอนข่าว ต, ตอนไปตอนเขาข้านี่จะถูกเขาตอนเลยเป็นพวกขันเป็นันทีไปเลยทีเดียวสำหรับพวกกระเทียมนั้นลนะ่ะผิดย า, ดยาดกพฤติกรรมนั้ดูยากเพราะตาราไม่ได้บอก่าชัดเจนเท่าไหร่หนนะักก็นอกจากพรนิฐานนะครับพนิฐานว่าพวกกระเทียมนี่อาจจะเกิดจาก ดูเรชาคนบางคนเกิดเป็นผู้หญิงตั้งหลายร้อยชาะแล้วอยู่ดูพอ่าติตปัญหาเกิดเป็นผู้ชายมันปัจจุบันทันบุญ น, นักตัง้งตัวไม่ทันไอ้การเคยชินออกเรงการเป็นหญิ ง, ตง แ, แต่ใส่ของประศมาเนี่ยมันจะมีสายไสย่คอพอชาติหมายร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงก็มี ผู้หญิงเกิดเป็ผู้ชายหลายพันชาพดู่ๆก็เกิดเป็นผู้ชาในภาพนี้ตั่งกัวไม่พันเลยเหมือกันไอ้กวางไอ้กวางเคยชินในชาติต่อนๆข้าพางที่เกิดเป็นกรีไแช่ตัวบอกว่าสามติดมาข้านี้เกิดมาเป็นผู้หญิงจริงแหละแต่อาการนี้ชายอกสามตอกพูดเองนขาดรูมึงขึ้นเขาขึ้นแค่อย่างนี้อย่างนี้ก็มีเพราะน้มันพูดยากนี่จะดูยากสิว่นจะเป็นอะไรต่ออะไรแท้เนี่ยแล้วยังมีอีกว่าูดดิ ตอนนี่นะครับบาปไหมยบาปสิครับตอนน่ะถ้าตอนระบาดแต่ว่าถ้าดวงการถูกคือจะไม่ให้มีลูกอีกต่อไปในบาปไม่ใช่ตอนแบบนั้นอย่างนั้ไม่ใช่ตอนนันอ่งั้นหมดได้นะตามตามตามเรื่องวิธีสมัยใหม่ทำเพื่จะไม่ให้บีบุดต่อไปทั้งเมวานยิงมกับายน่ะไมู่ก่รนตอนไม่ใช่ตอนแล้วก็หมดได้แล้วตัวนี้เป็นหมานนะครับเป็นหมันไม่หมันหมดได้เลยเกีวเลยไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันเลยครับทีนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่า แต่นี่ปัญหาเกี่ยวกับปนเอเชครับในเรื่องกเท็กนี่ยกรุงเทกเนี่ยค่รับคือว่าเรื่องมันจะยุคไหนครับแต่พี่มีกรุเท็กน่ะซือมาตั้งแต่ในประเทศจีนสมัยจกักรพรรดิเหลียงบูเต้ไม่เห็นสีจกักรพรรดิเหลียงบูเต้สมัยราชวงศ์เหลียงราวพอศหนึ่งพันเก้าร้อยเถึงหนึ่งพันราวนี่ยคุณนนส่าไหร่คหลังจากคุณจะปนิทาน มาเห่ศรีพระเจ้าลุ้นลูเต้นเป็นคนมีจิตใจโหดร้ายพาลุนถ้าสรมีเป็นชาพุทธิแข่งครับแต่นางมาเห่ศีข้าตัดประชีวิตอิจฉาริษยาขอหิดกันการตอบรับของทศนรรษมีพอตายตายจะเกิดเป็นเปรตพอลมานพอลกรรมไม่มีเสื้อผ้าคูหนึ่งผมหิวโหยมาปรากฏให้ทศวรรษมีเห็นบอกว่าละหมากรมุนลูเอ็นหาวก็หนาวเย็นก็เย็นเสื้อผ้ามือผมก็ไม่มีหิวก็หิวจะกินอะไรก็ไม่ได้ พระเจ้าลวงบูเต้ก็เสียพระทัยจึงได้มีมนพระจีนในเมืองจีนข้างนั้นให้มาประชุกมกันคิดหาวิธีการช่วยมาเหสีให้พ้นทุกข์มีพระจีนูกหนึ่งเป็นชั้นพระคณาจารย์จึงสั้งคิดตั่งตำรากรงเต็ขึ้นให้กันจัดพิธีว่าจะต้องทําบุญอย่างนั้นทําพิธีตั้งมนต์ผลอย่างนี้อย่างนี้จึงจะช่วยมาเหสีให้พ้นทุกหลังจากทำพิธีนั้นแล้ว ไม่ช้าถ้าไม่เห็นสีนี้ก็มาปรากดตอนนี้นุ่งผมด้วยเครื่องขนิมพิงพาปอเสวองานหน้าตาของสายบอมมีความสุดแล้วึงกูคงสีพระเจ้าเรื่องมือเตะกูทิ้ง ส, สายได้รับหมดแล้วนี่แหละครับเป็นต่วนต่อตำรากรงเต็กแต่นั้นมาก็เป็นไทยมีจีนสมีกรุงเต็กเรื่อยมาแล้วเจเวลาเอากระดาษนี้ทําเป็นตึกรถยนต์มากอะไรบ้ไอ้ น, นี่เป็นเครื่องตั้งเครปหรอกแต่ว่าโบราณอะป็นทำเมียนโบราณมาก่อนที่จะมีกรงเต็กอีก ทนี่มันนึกแสมัยโบราณนะไม่รู้ข้าตันออกตะวันตกอีหยุดอะไรต่างๆนะผู้มีบุญหนักปักใจตายไปเขาฝังของทั้งเป็นตามไปด้วยเครื่องเครื่องเครื่องคราบเครื่องไช้ไม้สอยเตียงโต๊ะตังเอาลงหลมหมดเลยแล้วไม่ได้สังแต่ของนะเมียก็บังคอยฝังทั้งเป็นตายตามหัวมีเมียร้อยสี่คนมีข้าพเจ้าสี่คนตายตามลงหงวงซุยตายทั้งเป็นเลยฝังทั้งเป็มจริงๆน่ยบอไปรับใช้ในปราโลกอีบุญละผู้สารพระเจ้าคูอตันคาเมน สุตันคาเนียะแต่กระพี้สมัย5้าพันปีมาแล้วเขาเกิดขึ้นแม่เจ้าเงินทองไปทั้งในโต๊ะทองคำทั้งทั้งเตียงเตียงทองคำโต๊ะทองคำเครื่องสุพรรณภาพเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆครบบริบูรณ์สังเต็มมาหมดเน่และยังมีฝ้าโสดตว์ที่โกรกมัมมี่แมวก็มีมัมมี่หมาก็มีมัมมี่ตาซีน่าก็มีตาต้าตะวันเป็นผีๆเลยของสุตระพงนี้มีสมบัติชุชีพอยู่ ต้องไปตามเสด็จพรโลกด้วยนี่รับฟังคนทั้งเต็มด้วยนะมีทั้งคนั้งเป็นด้ว ย, นะนนวยในสุสานพีรามิดอียิปต์น่ะมีการขุดพบกันเสมอทำเนียนนี่เป็นคนโบราณทำกันยางไงในอินเดียน่ะหัวตายเงยกระดึงในกองไปเผา ต, ตัวตายตามเสือดูความสมัครใจก็ไปทำเนียนต่อมาจากโบราณเหมือนกันแต่โบราณเข้าใจว่าจะไม่ยอมตาย ค, คูกขุมขืนตายตามบังคับไปฝังตัวตายตามมาภายหลังเกิดเป็นประสือมีบอกว่าหญิงตายตายตามสามีในกองไฟชื่อว่าพุนวีราสตรี เลือกพิธีะตะปี่จึงมีผู้ญิงที่ใจเด็ดหัวตายกำลังชิตกรกอกำลงไม้อยู่กระโดโดลงในกองไฟตายตายเลยก็ม่เพราะฉะนั้นในพิธีเผากระดาษคนในพิธีกรงตบ้บานกระดาษรถเก๋งกระดาษเฮลคิคอปเตรกระดาษเ ต, ต่ตุ้งหัวทับกระดาษก็ตกมาจากทำนินแบบนี้เหละครับถ้าจะทำนินในพุทาสนามไม่ใช่เป็นทำนินโราณก่อนที่พุทธศาสนามจะเข้าไปแล้วก็เลยพนมืเข้ามาในพิธีด้วย ใช้เร า, าก็แย่มาเป็นถวายขึ้นตังคตีตไล่ะไทยเราอ่ะแย่มาเราไม่เอาวากระดานเราไม่เห็นด้วยกระดานเนี่ยโดยการทาไม่ได้ถายขึ้นตังคตดีกว่าไม่ปไปดูกาเจ้าไปทานี่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ใจใดครับที่เป็นผู้ที่ผิปัญญาแก้ไขเกิดการในนี้ให้เปลี่นจากของจริงมาเป็นของเทียมท่นผู้ใไงรหวังไงนะว่างั้นว่าหม่ยถว่เป็นผู้ใดทักจิตบัญญัติให้เผาของเทียมเนี่ยเป็นของจริงมาแทนของจิง อ๋อผู้ใดบังหยัดว่าให้เ้าของเทียมมาแทนของจริงก็ไม่ทราบว่าผู้ใดบังญัติเป็นด้วยความเจริญของมนุษย์นี้มากขึ้นเห็นว่าการกระทําอย่างนั้นมันทารุณเกินไปที่เอาคนหนึ่งเตือนในสังตายตามอีกคนหนึ่งเนี่ยมันทารุณไปแก้้ายกันเองครับไม่มีบุตรบุตรบ้าอ๋อไอตอนนี่นะมันไม่เหมือนวิธียาผูไปให้มีบุดนะไม่เหมือนกันนะไอตอนนัก็ทํา พวกง่ายๆเขตัดตโมงเดียวสมัยก่อนน่ะกทมขันธ์ีล่ะในประเทศจีนน่ะขันธ์ถีมั่งถ่ในเรื่องคมือจีนสมัยยังมีการศัตร <ités> ูนะสมัยยังปกครอระบบการศัตรตั้งเป้นกรมเลยด้้ยกรมขันธ์ีมีอธิบดีกรงการขันธ์ถีปีหนึ่งปีหนึ่งรับสมัครเทืสุนช้าที่ต้องการเป็นขันธ์ถีมาใคอยากเป็นขันธ์เข้ามสมัครและสมัครต้องทาสัญญาว่าถ้ากุดตัดเล้วตายไปาโทษเขาไม่ได้นะตีผิดนะพอปัดเุื เขาวังทีละขา้วสายยาชามีเ่รับอย่างแหลมที่สุดเสียยาชารับอย่างแหลมมากแล้วก็คนที่โดนฉันจะแพ้ที่จะมาทำการเนี่ยนะมือหนึ่งเลยตัดมาสี่ร้อยสี่ทันคนแล้วกันไม่รู้ <c oughs> เอาอผ้าปิดตาเข้าราะนั้นยาสมุนไพรนี้ว่ากันนเป็ น, ปนยาชาชาเขาเลาะกินยาลงไปไม่ให้ไม่ให้มันเจ็บยานี่ก็ไม่เยไดผลนะมันเวกันต์ทกไลน์สมุคไารทุกลสนกลสมุปปนไ้องการจะตรวจดีมาก แล้วก็ต้องติดไว้นในห้องลูกสามเดือนเต็มเต็ม่เห็นแสงเดือนแสงตะวั น, น, น, น, นถ้าระหว่างสามเดือนนั้นใครบังอาจออกมานอกห้องเห็นแสงเดือนแงตะวั น, น, นตายทุกทายเป็นเคล็กันต้องขังตัวเองในห้องสามเดือนเต็มเ็มเห็นแสงเดือนแงตะวันไม่ได้ดูไม่ได้บวชได้บวชได้บวชได้ประเทศนี้บวชได้ คือว่าพวกที่ตัดนะมันมอกการยนิประิทธันใจนี่ครับอย่างพวกที่ไปถูกไม่ไม่ไม่ให้มีบุตรนี่ะพวกนี้จิตใจไม่ไมไม่วิปลาสไม่ปลพวกที่ไปตัดเป็นขันทีนะนทเนี่ย้งตเลยเสียงการเป็นผู้หญิงขันทีหลังจาก3ามเดละเสียงผู้เครงข้าเข้าหาเนี่ยกำลที่เสียงผู้หญิงเสียกว่าเสียงแมวอ่ะพวกมนเสียงเป็นอยู่ในลคอเป็นผู้หญิงทยเดียแล้วกิิยามเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วติตใจนะชอบไปวกตาลิ ชอบดูการพาลุนที่สุดชอบพาลุนสัตว์พาลุนคนพวกนี้ชอบเที่ยนาตุเห็นการเที่ยนธาตเนี่ยเป็นเครื่องเพาะพันธเป็นเครื่องบัญญูอาัตามาลงรุ่เขาพวกนี้ตายพวกตาลิสไปเมื่อจิตจบริสันนี้แล้วคือเร่บวก็เป็น ท, ที่เ้าหมองแต่ต้งแต่บนทนก็องค์งจึงตัดตัดห้ามให้บวดพวกที่ไปทำให้มีลูกแนะับนี้จิตใามันพิษรสิครับ อ่าอ่านี้เข้าใจผิดครับเข้าใจผิดคุณรู้แล้วคุณกรุณาแก้ให้เขาเข้าใจถูกไปแล้วกันจะได้ไม่เข้าใจผิดครับดีครับครับเราไม่คุยแค่คำว่าตอนคุยแค่คําว่าทำผ่าตัดดีกว่าไอตอนมันหมดไปแล้ะไรตัอน <c oughs> เห็นจะพอแล้วไหมวันนี้พอแล้วรครับ